โอกาท่านพระเทาราเทราทุกรูปซึ่งมีท่านเจ้าุณพระชยานันทมณีผู้ในการวิทรรนนลัยสงครามนาชลกระเกียรเจ้าอาวาสรัฒทาแช่แห้ง ในฐานะประธานที่ปรึกษาพุทธสถานลานปฏิบัติธรรมบ้านเมตตาธรรมขอเจริญพรคณะญาติธรรมทั้งในจังหวัดน้านและต่างจังหวัดพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานทุกท่าน ซึ่งในที่ประชุมนี้มีมหาอุบาสิกาบัวลอ้อมหันตะประธานบริการผู้นาการก่อสร้างมหาเจดีย์ณสถานปฏิบัติธรรมบ้านเมตตาธรรมแห่งนี้เมื่อได้ทราบถึง ความสำเร็จของการสร้างมหาเจดีย์และมีงานสมโภช์อันยิ่งใหญ่โยมมือลงกันลกันนะโดยท่านเจ้าขุนพระชยานันทมุนีได้แจ้งให้ทราบอาตมาก็อยากจะมาร่วม อนุโมทนาเพราะได้เคยมามารู้มาเห็นมาที่นี่เมื่อสองปีที่แล้วได้รับรู้รับทราบกิจกรรมหลายอย่างทั้งเรื่องการปฏิบัติธรรมทั้งเรื่องพุทธเกษตรทั้ง การเป็นหมู่บ้านรักษาศีลห้าที่เริ่มจากสามครอบครัวเล็กๆนำโดยมหาอุบาสกาวล้อมจนนี้จนตอนนี้ขยายเป็นพันครอบครัวและมาบัด น, นี้ก็ได้ สร้างมหาเจดีย์องค์นี้สำเร็จเรียบร้อยเป็นสถานปฏิบัติธรรมเชื่อมโยงกับวัดรธาตุแช่แห้งของท่านเจ้าคุณพระชญยานังทมุณีในส่วนคณะสงฆ์ถือว่าเป็นการเผยแผ่พระศาสนาที่เข้มแข็ง เป็นความสำเร็จเป็นความร่วมมือกับชุมชนตัวอย่างที่นี่คือบ้านเมตตาธรรมและได้สร้างพระเจดีย์องค์นี้เจ็ดชั้นตั้งชื่อว่าพระเมตตาเจดีย์พระเมตตาสีอารยะเมตไตรพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ในภัศรักัา แล้วก็มีรูปพุทธรูปนะแล้วก็รูปรูปปั้นของพระเจ้าห้าพระองค์โยมรู้ไหมว่าห้าพระองค์เนี่ยชื่อไรบ้างแล้วทำไมห้าพระองค์ แล้วท่านก็บอกว่าในพัทธะกับกับที่เจริญนี้ในกับนี้ก็หมายความว่าตั้งแต่มีโลกที่เราอยู่มาเนี่ยจนถึงโลกนี้สลายไปเขาเรียกหนึ่งกับ หนึ่งกัปนี้ตั้งแต่กำเนิดของโลกคือดาวเคราะห์นี้เนี่ยจนโลกดับไปเรียกว่าหนึ่งกัปในหนึ่งกัปนี้มีพระพุทธเจ้ามาปโปรดห้าพระองค์ตอนนี้ผ่านไปแล้วสี่พระองค์เหลืออีกหนึ่ง กับนี่เขาเรียกว่านับไม่ได้นะสมัยก่อ น, นไม่รู้ว่ากี่กี่ปีเอาเป็นว่าท่านก็ประมาเหมือนว่าเทวดาเอาอผ้าสำลีเนี่ยมาเช็ดถูภูเขายุคขนทอนหรือหิมะ่านก็ตามร้อยปีก็มาถูกครั้นหนึ่งรั้นหนึ่ง จนภูเขานี่กลอนไปจนถึงพื้นนั่นแหละหนึ่งกับนับไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตร์เขานับได้นะยโยมนักวิทยาศาสตร์เขาคำนวณอายุโลกเราได้ว่าเกิดมากี่ปี แล้วโลกนี้จะอยู่ไปกี่ปีมันจะดับสลายก่อนดับสลายจะได้พบาศาสนาพระศรีอานรอไหวไหมโยบโลกนี้เกิดมากี่ปีนักวิยาศาสตร์เขาคำนวณมาแล้วสมัยพระพุทธเจ้าเครื่องมื อ, อยังไม่พอ พระอาทิตย์ดวงพระอาทิตย์เนี่ยเกิดมาแล้วประมาณกี่ล้านปีรู้ไหมหนึ่งมื่นล้านปีล้านปีก็เยอะแล้วนะยัหนึ่งมื่นล้านปีนะ่ะพระอาทิตย์เราเนี่ย แล้วกว่าจะมีโลกที่แยกมาจากพระอาทิตย์เนี่ยนะเป็นดาวเคราะห์เนี่ยโลกนี้มีกำเนิดมามีอายุได้โดยนักวิยาศาสตร์คำนวณเนะห้าพันล้านปีห้าพันล้านปีมาอยู่ถึงวันนี้ ในห้าพันล้านปีเนี่ยมีไดโนเสาร์เมื่อสองร้อยล้านปีที่แล้วและไดโนเสาร์มันศูนพันเหลือแต่กระดูกเมื่อหกสิบห้าล้านปีที่แล้ว มาถึงปัจจุบันวันนี้โลกมีอายุ 5,000 ล้านปีแล้วจะอยู่ไปอีกเท่าไรรู้ไหมอีก 5,000 ล้านปีโลกจะสลายเพราะอะไรในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่เรียนกันมาเนี่ย เขาเรียกเตโชสังวัตตะกับกับที่โลกของเราจะดับสลายเพราะาไฟไหมเตโชเนี่ยคือไฟไหมพระอาทิตย์จะปรากฏใหญ่โตมากจนกลืนโลกไหมโลกไปพระอรหันท่านนั่งชานสมาบัติท่านเห็น ท่านพยากรณ์ไว้อย่างนั้นเขาเรียกว่าเตโชสังวัตกะแต่ท่านไม่ได้บอกอีกกี่พันล้านปีนะนักวิทยาศาสตร์บอกว่าโลกใบนี้จะดับเพราะไฟเหมือนกันเออประหลาดตรงที่มันตรงกันนะไฟจะไม่โลก ทำไมไฟจะไม่โลกล่ะอีกประมาณห้าพันล้านปีเนี่ยพระอาทิตย์ของเราเนี่ยเป็นเหตุทุกวันนี้พระอาทิตย์มันมีปรมาณูระเบิดทุกวันมันมีไนโตรเจนกับาธาตุฮีเลียมสองอย่างมันประทักมันระเบิดเป็นแสงร้อน อยู่ไปประมาณห้า0ันล้านปีในโตรเจนหมดหรือเหลือแต่ฮีเลียมมันก็จะดับทีนี้ก่อนจะดับเนี่ยมันจะลุกโครงโยมเคยเห็นเทียนเวลาจะดับไหมมันจะสว่างวาบขึ้นมาพระอาทิตย์มันก็จะสว่างว่าคือขยายใหญ่ ไอตอนมันขยายใหญ่ก่อนดับเนี่ยมันไหม้โลกเราตอนนั้นต้องหนีไปอยู่พมโลกนะไม่งั้นไฟไหม้เรียบเลยทีนี้ในอนาคตการเนี่ยก่อนที่ไฟจะมอดไหม้โลกโลกจะดับในพัทรกับเนี่ยตั้งแต่เกิดโลกมาจนปัจจุบันเนี่ย มีพระพุทธเจ้ามาโปรดห้าพระองค์คขาเรียกในกัปนี้ในช่วงประมาณหมื่นล้านปีเนี่ยองที่หนึ่งชื่ออะไรอยูอ่กัปปุสังฆะองค์ที่สองโกนาคมณนะ ให้คนอื่นช่วยบ้างทางนี้บ้างผู้ชายไม่เห็นพู้หญช่วยเลย <c oughs> การุพระโอนาธรรมะองค์ที่สามกัสปะองค์ที่สี่พระโคดมคือพระพุทธเจ้าของเราใช่ไหมและองค์ที่ห้าคือชื่อพระเจดีย์นี้พระสีอารยะเมตไตร เวลาบูชาห้าพระองค์เนี่ยโบราณเขาไม่เอ่ยชื่อเพราะหลายคนก็จำไม่ได้ถ้าบูชาพระผู้เทอเจ้าของเราพระโคโดมเราเอ่ยคำว่านักโมตัสสะภัทควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ แต่ถ้าเป็นพระเจ้าห้าพระองค์อย่างนี้เนี่ยท่านเอย่ยคำบูชาทีเดียวห้าองค์เลยสั้นด้วยห้าคำเวลาโยมกราบเนี่ยถ้าอารหังสัมมาบูชาพระตนตะไตรอธิษฐานพระเจ้าห้าพระองค์นี่ นำนะโมพุทธายะเห็นไหมนะโมพุทธายะได้ห้าองค์เลยไม่ต้องไปนั่งองค์ไหนนะกะกูสันทะนะโมกะกุสันทะนะโมโกนาคมาณะพอดีนึกไปออก แต่พอบูชาองค์นี้นะนะโมพุทธายะแปลว่านะโมก็คือนอบน้อมพุทธายะก็คือแดดพระพุทธเจา้าแต่ท่านกำหนดไว้ห้าคำนะบูชาพระกะุสัทธะโมบูชาโกนาคมนะ พุทธบูชาพระกัสสปะทาบูชาพระโคตมะยะบูชาพระศีอรรยะเมตรัยครบแล้วโยมจำได้ยังจำได้เอา้าพูดน้มโมพุทไายะาปนมือบูชาท่านพร้อมกันสามครั้งหนึ่งสองสาม ได้ห้าองค์เลยนะโยกเออนี่โบราณท่านทำไปแล้วทีนี้ห้าองค์เนี่ยชื่อเจดีไม่ได้รวมห้าองค์นะเอาพระศรีอริยะเมตไตรเป็นชื่อต้นก็คื อ, อชื่อว่าพระเจดี พระศีอริยะเมตไตรพระเมตตาศีอริยะเมตไตรพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ในพัทธลกับชื่อยาวเนาะคือองครบทุกอย่างแต่ถ้าเรียกย่อก็คือพระเจดีพระศีอานทำไมจึงใช้พระศีอานนี่องค์ข้างหน้าเนี่ยทำไมไม่มีจีวรรู้ไหมเพราะยังไม่ได้จัดยังไม่ได้มาตราบเป็นพุทธเจา้า ตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนสวรรค์ชั้นดุสิตมันมีคติของมหายานด้วยในจีนเนะี่ยถ้ายมไปที่จีนนะไปเกาหลีนะ่พระศรีอรยะเมตไตรไม่ใช่รูปร่างแบบนี้นะเออโยมเคยเห็นไหม ในจีนเนี่ยเออยมทําท่าอย่างนี้เลพระยิ้มใช่ไหมอ้วนเลยนะยิ้มอยู่โง์ใหญ่ๆเน่ยนะในวัดจีน่ะใจดีเมตตาไงบางแห่งเด็กตัวเล็กๆปีนเต็มไปหมดเลยนั่นแหละพระสีอ่านเขาคนไทยไม่รู้ไปเรียกพระสังกจจาย จีนไม่เรียกสัมะชัยนะโยมเขาเรียกพระศรีอานพระศรีอานท่านมีเมตตาใจดีหัวเราะยิ้มพระยิ้มนั่นแหละจีนเขาก็มีในคติของเราเนี่ยพระศรีอริยะเมตไตรยอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต แสดงว่าบำเพ็ญบา ร, รมีครบหมดแล้วรอแต่เวลาที่จะลงมาโปรดเป็นพระพุทธเจ้าพระโคตมะของเราชาติสุดท้ายคือเป็นพระเวสสันดรถวายมหาทานเสร็จไปเกิดที่ไหนฉันดุสิต ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วค่อยลงมาโปรดมาเป็นพระสิทธัตถะโคตมะส่วนพระศรีอริยเมตไตรก็เป็นมนุษยชาติสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วเหมือนพระอิศนนทตอนนี้อยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตจะลงมาโปรดเมื่อไหร่ มีคำภีหลักๆอยู่ในพระใจปิดกคือจั ก, กรวรรจั ก, กรวรรดิสูตรว่าถึงพระศรีอริยะเมตไตรามาโปรดเวลาที่พระเมตพระศรีอริยะเมตไตรามาโปรดเนี่ยบ้านเมืองเป็นยังไงบ้านเมืองจะสงบเรียบร้อย ทุกไม่มีอดอยากทุกคนหน้าตาสวยงามเหมือนกันออกมาจากบ้านนี่จำไม่ได้ว่าใครคือสามีใครคือภรรยานะสมัยนี้ก็คล้ายๆกันแล้วล่ะเพราะว่าไปเกาหลีมเะมืนจะคงแบบนั้นแหละนะโยมจำเกินไปใครได้เออก็ อาเป็นว่านั่นแหละคือยุคพระศีอ่านคนก็ปรารถนาจะไปเกิดในทันพระศีอ่านเพราะว่าเป็นยุคที่เราเรียกกันว่าโลกพระศีอ่านภาษาฝรั่งเขาเรียกยูโทเปียเมืองในฝัน ยูโทเปียนี่เมืองในฝันนะคือตอนนี้มันยังไม่มีต้องไปรอศาสนาพระศีอาณถึงจะมีเมืองในฝันในยุคพระศีอาเนี่ยเมืองในฝันเนี่ยฝรั่งเรียกยูโทเปียมีลักษณะสามประการอาตมารสรุปเองนะ หนึ่งผู้ปกครองเป็นจั ก, กรพรรดิ ท, ท, ทรงจั ก, กรวัดดีวัตรหรือทศพิษราชธรรมพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเนี่ยอยู่ในสีในธรรมปกครองด้วยความเฉลียวฉลาดเศรษฐกิจดีผู้ปกครองต้องฉลาดนะ เศรษฐกิจด uhm. ีไม bo ่มีคนจนเลยไม่ต้องไปลงทะเบียนคนจนถ้ายังลงอยู่นี่ยังไกลภาษีอ่านนยมน่ะเมื่อผู้ปกครองดีบริหารดีวงเล็บไม่มีทุจริตคอร์รัปชัน สมัยหนึ่งคนเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าเอางบประมาณที่เบิกจัดทังหลวงไปสร้างถนนรวมกันมาตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันเนี่ยตามงบประมาณเนี่ยป่านนี้ถนนประเทศไทยปู ด, ด้วยทองคำหมดแล้วแต่ได้ลูกหลังก็บุญแล้ว ปูได้ทองคำมันต้องยุบภาษีอานนะนั่นแหละเพราะรัฐบาลจัดสรรอย่างดีเศรษ ฐ, ฐกิจดีอยู่ดีกินดีข้อที่หนึ่งรัฐบาลทรงทศพิศราชธรรมข้อที่สองเศรษ ฐ, ฐกิจดีข้อที่สามสังคมดีรัฐบาลดีเศรษฐกิจดีสังคมดีสังคมดีก็คือ ที่กล่าวไว้ในจักรวกรรดิสูตรก็คือไม่มีอาดยากรรม บ, บ้านเรือนอยู่กันโดยไม่ต้องมีรั้วไม่ต้องลั่นด่านไม่มีโจรไม่มีขโมยเพราะเศรษฐกิจดีใครจะมาขโมยทุกคนก็มีกินมีใช้ ไม่มีโจรลักเล็กขโมยน้อยไม่มีปล้นไม่มีฉุดค่าสตรีไม่มีสาดน้ำกรดใส่กันทุกคนรักใคร่กลมเกลียวกันกฎหมายเกือบไม่ต้องใช้สงสัยตำรวจตกงานนะโอ้ไม่มีตั้ง ด, าด่าน พระศรีอาร์เป็นอย่างนั้นทีนี้ที่ว่าเนี่ยเป็นเมืองในฝั่ผู้ปรารถนาจะไปเกิดทันศาสนาพระศรีอาร์ต้องเป็นคนทำบุญเยอะก็จะมีเรื่องพระมล า, ายนะซึ่ง แต่งในลังกาเรียกว่าดีกาพระมาลัยเล่าถึงพระอาหารหันต์ชื่อพระมาลัยเนี่ยเป็นชาวลังกาถอดจิตนั่งกรรมาฐานถอดจิตขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงไปไหว้พระเจดีย์จุฬามณี พระเจดีย์จุลามณีเนี่ยอยู่บนสวรรค์ชั้นเดวะดึงเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุสองอย่างของพุทธเจา้าหนึ่งคือผมตอนพระสิทธัตถะออกบวชตัดผมครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ตกลงพื้นพระอินทร์เอาพานทองมารองรับไปเก็บไว้บนพระเจดีย์จุลามณีบนสวรรค์ชั้นเดวะดึง ตอนพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งพร ะ, สะเสด็จดับขันพระปรินิพานมีการถวายพระเพลิงพระบรมศพอธิท่ายของพระพุทธเจ้าเนี่ยโทนพราม์แจกไว้ไปแปดเมืองและแกก็จิกแอบเอาพระธาตุเขี้ยวแก้วเนี่ยไม่บอกใครหรอกซ่อนไว้ในมวยผมของแกซ่อนไว พระอินท์ก็เลยลงมาจิกต่อเอาไปเก็บไว้บนพระเจดีย์จุฬามณีนี่โทนพามงงเลยมันหายไปไหนเนี่ยพระมาลัยท่านก็เข้ากรรมาฐานขึ้นไปนูน่นสวรรค์ชั้นดาวดึงไปไหว้พระเจดีย์จุฬามณี ขณะกำลังไหวอยู่พระอินทร์ก็มาต้อนรับสนทนาธรรมว่าเทวดาองค์นั่นองค์นี้ทำบุญอะไรถึงได้มีบริวารได้มีรัศมีอย่างนี้พระมมลัยก็จะมาเล่าให้ชาวบ้านฟังเพื่อทำบุญทำกุศลและไปเป็นเทวดากันขณะกำลังสนทนากัน มีเทวดาผู้มีบุญหนักสักใหญ่บริวารห้อมล้อมมากเหลือเกินลงมาไหว้พระเจดีย์จุฬามณีพระมาลัยก็ถามพระอินทร์ว่านั่นใครพระอินทร์ก็เรียนพระเถระว่านั่นคือเทพประมุตรมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตลงมานะ ดาวดึงนี่เป็นสวรรค์ชั้นที่สองชั้นแรกก็คือชั้นจ่าตุมมหาราชชั้นที่สองคือดาวดึงชั้นที่สามคือยามาชั้นที่สี่คือดุสิตชั้นที่ห้าคือนิมมานารดีชั้นที่หก ปารนิมิตะววสาวดีหกชั้นข้างบนชั้นที่เจ็ดพุทธภูมิพระพุทธเจ้ามีเจดีอธิธาติอยู่ตรงนั้นชั้นดุสิตเป็นที่ประทับของพระโพธิสัตว์คือพระศรีอริยเมตไตร ท่านก็ลงมาเพื่อไหว้พระเจดีย์จุฬามณีจากชั้นที่สี่ลงมาชั้นที่สองในช่วงเวลาที่พระมาลัยเทวเถนไปนมัสการพระดีก็ถามพระอินทร์ว่านั่นใครบอกนั่นแหละคือพระศรีอริยะเมตไตรก็เลยได้มีโอกาสสนทนากัน สมัยใหม่เขาเรียกสัมภาษณ์เพราะดูแล้วเป็นการอินท์วิวสัมภาษณ์มากกว่าเนเหลือแต่ไม่ได้บันทึกไมโครโฟนมาเท่านั้นแหละถามทุกอย่างเลยว่าพระศีอานเนี่ยจะลงมาโปรดตัดสรู้เมื่อไหร่ ท่านก็บอกว่าเมื่ออายุของมนุษย์ได้แปดมื่นปียืดยาวขึ้นยาวขึ้นแปดมื่นปีโอ้ยโยมเื่อเป็นไปได้ไหมฮะเดี๋ยวนี้นะวิทยาการเนี่ยมันจเจริญมาก เขาสามารถทำให้คนเนี่ยอยู่ไปได้ถึงร้อยยี่สิบปีในรุ่นเราเนี่ยสมัยก่อนนี่หกสิบก็เยอะแล้วใช่ไหมแปดสิบก็อายุยืนแล้วเก้าสิบก็ว่าร้อยปีก็หายากแต่อีกยี่สิบสามสิบปีข้างหน้าเนี่ยร้อยยี่สิบนี่ชิวช ไม่รู้กวาหมายทึงอะไรแต่ว่าสบายมากกันละกันนะทำมอย่างนั้นใช่ไหรู้ไหมเพราะอาตมาพูดสรุปสั้นๆเดี๋ยวจะไม่ได้เลือกภาษีอ่านกเพราะว่าเขาสามารถซ่อมแซมพวกเราได้เดี๋ยวนี้โยมได้ยินเรื่องสเต็มเซลล์ไหมล่ะเออ ใครอยากหนุ่มอยากสาวมีสเต็มเซลล์โน่นบินไปต่างประเทศโน้นให้เขาหลอกเพราะมันยังทำไม่ได้จริงเท่าไรหรอกแต่ทางหลักการทางวิชาการมันทำได้เซลเหล่านี้เขาเรียกโครงสร้าง DNA ออต่อไปเนี่ยนะเด็กเกิดมาเนี่ย มันจะมียีนมีดี a อนเนี่ยตอนเป็นไข่เนี่ยนะผสมกันไอ้ a a a, ผสมเทียมเขายังทำได้เขาจะส่องกล้องดูว่าไอ้เด็กคนนี้เนี่ยมันมียีนตัวไหนที่จะทำให้อายุสั้นเช่นจะเป็นมะเร็งเขาจะเอาออกแล้วก็เอายีนที่ดีเนี่ยใส่เข้าไป <c oughs> เขาเรียกว่าตกแต่งพันธุกรรม โรคเบาหวานโรคมาเรงโรคอะไรต่างๆนี่หาไม่เอาไม่เหลือเลยมันเอาออกหมดเลยเด็กรุ่นต่อไปจะไม่รู้จักแล้วมาเรงคืออะไรอะ่ะเออเหมือนเราทุกวันนี้โรคหาเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อหิวา่าไขปา่ามาเรเลเียเนี่ยนะเดี๋ยวนี้มันไม่มีละต่อไปนี่มาเรงเขาก็จะไม่รู้จัก เพราะเขาดึงออกตอนที่เป็นไข่ผสมกันอยากจะให้คนนี้เก่งเป็นนักกีฬาโอลิมปิกใส่วิ่งเร็วเข้าไป <c oughs> โอ้ย ม, มันเป็นลมกดเลยนะ <c oughs> อยากให้คนนี้สวดมนต์เก่งบวดตลอดใส่เข้าไปไม่ซึ่ ผู้ โ, โยมมีหมดเลยอยากให้คนนี้สวยใส่เข้าไปอยากให้คนนี้หล่อใส่เข้าไปแล้วหน้ามันจะเหมือนกันหมดถูกไหมนั่นแหละภาษีอานน่นะแต่ว่าต้องรอไปเรื่อยๆมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆขนาดอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเด็กรุ่นใหม่จะเป็นอย่างนี้แล้ว เสียดายเราเกิดไวัยไปหน่อยเนาะ <c oughs> ออไม่ทันได้ใช้เด็กเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาพูดพูดว่าภะษีอานจะสวยจะรอจะอายุยืนนี่เป็นไปได้หมดแล้วทำอย่างไรจึงจะได้ทันศาสนาภะษีอานพระมาลัยก็ถามอีกก็บอกว่าให้ทำบุญทำกุศล ที่สำคัญคือฟังเทศพระเวสสันดรชาดกคาถาพันเนี่ยจบในวันเดียวบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนอะไรต่างๆอย่างละพันอันนี้เราก็ทราบกันแต่กว่าจะไปถึงวันนั้นนี่มันตายแล้วเกิดอีกกี่ชาติแล้วอยู่โลกพระศรีอาร์ตจะมา รอไม่ไหวเรามาสร้างโลกภาษีอานในวันนี้กันไม่ดีหรือสร้างสวรรค์บนดินเนี่ยเมืองในฝันยูโทเปียแค่สามเรื่องเท่านั้นเหละททำไมจะทำไม่ได้ถ้าระดับประเทศทำไม่ได้ ประเทศรักษาศีลห้านะเนาะทั้งประเทศไปได้เอาระดับจังหวัดรักษาศีลห้าระดับจังหวัดไม่ได้ทั้งจังหวัดรักษาศีลห้าไม่ได้เอาอำเภออำเภอทันไม่ได้เอาตาบลรักษาศีลห้าหมู่บ้านในฝันตาบลไม่ได้ เอาบ้านเมตตาธรรมก็แล้วกันเออเห็นไหม่ะโอ้โลกภาษีอ่านนะนะเออลองมีศีลห้าเนี่ยทุกคนทำไมจึงเป็นภาษีอ่านโลกภาษีอ่านปกครอง รัฐบาลปกครองโดยไม่ต้องใช้กฎหมายเพราะทุกคนมีศีลมีธรรมเมื่อไม่มีการฆ่าสัตว์ไม่มีการเบียดเบียนไม่มีอาญากรรมศีลข้อที่หนึ่งไม่มีการลักขโมยไม่มีการโกงข้อที่สองไม่มีการเบียดเบียนทางเพศฉุดฆ่าสตรีศีลข้อที่ี ไม่มีการโกหกไม่มีการด่ากาันสีลข้อที่สี่ไม่มีสุรายาเสพติดมอมเมาสีลข้อที่ห้ามันสวรรค์ทัดชัดอยู่กันอย่างมีความสุขเขาเรียกว่าสีละสามัญญตาโลกระษีอา น, นี่ที่ว่า ออกไปไหนแล้วเหมือนกันเนี่ยแท้ที่จริงคือศีลเสมอกันศีลสามัญญาตาเดี๋ยวนี้เขาไปพูดว่าอะไรศีลเสมอแล้วเจอกันอะโลกพรอศีลนี่แหละเออศีลห้าเสมอแล้วเจอกันน่เจอกันที่ไหนบ้านเมตตาธรรมนี่แหละโอ้เห็นไหมโอ้เพราะ ฉ, ฉะนั้นจึงถือว่า อันแรกเนี่ย น, นะต้องมีศีลเสมอกันแล้วทำอย่างไรจึงจะมีศีลเสมอกันท่านถือว่าศีลเสมอกันเนี่ยใจต้องเป็นดวงเดียวกันใจต้องเหมือนกันศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยมันเป็นภายนอก แต่ถ้าใจมันไม่เหมือนกันคล้องกันพระเลติฐิสามัญญาตาความเห็นเป็นอันเดียวกั น, นมันจะไปคนละทางสองทางถ้าความเห็นไม่ลงรอยกันนะเจดี JD ก็สร้างไม่เสร็จคนนี้ก็จะออกแบบอย่างนี้คนนี้ก็จะเอาอย่างนั้นอย่างนี้ทะเละก็อยู่แค่ น, นี้แต่ถ้าความเห็นเหมือนกัน ทิฏฐิเหมือนกันศีลเสมอกันทิฏฐิเสมอกั น, ม, กนมันจะเกิดความรักความสามัคคีความสุขสุขาสังทสะสามคัคคีความพร้อมเพียงแห่งบูคณนะนำสุขมาให้โลกพระศี่านคือตรงนี้สามคัคคีปรองดองมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิความเห็นเสมอกัน ทำอย่างไรจึงจะเป็นอย่างที่ว่านั้นท่านบอกให้ทำบุญสามอย่างเขาเรียกบุญกิริยาวัตถุวิธีทำบุญสามอย่างแล้วจะเกิดความเสมอกันโยมก็รู้อยู่แล้วทานใหมศีลใหม่ภาวนาใหม่ถ้าในโลกภาษีอาน ต่างคนต่างให้กันแบ่งปันกันไม่มีใครอดอยากเจือจานกันหมดมีจนอย่างไรนี่มันเจือจานกันนะมะหาตามะคานทีบอกว่าโลกนี้มีทรัพยากรเพียงพอที่จะสนองความต้องการความไอความต้องการคือ กำจัดความหิวโหยของมนุษย์ได้ทั้งหมดมันมีทรัพยากรป่าไม้ข้าวปลาอาหารทําให้ทุกคนได้อิ่มได้หมดแต่โลกนี้มีทรัพยากรเพียงพอที่จะสนองความต้องการดับความหิวโหยของมนุษย์ได้หมดแต่ไม่เพียงพอที่จะสนองตันหาของมนุษย์ ความต้องการคือหิวก็กินกินแล้วก็อิ่มมันจบแต่ตัณหานี่มันจะต้องกินแพงๆตัณหานี่ยมันจะต้องเสริมเติมรสชาติอะไรต่างๆบ้านที่อยู่อาศัยมันก็ไม่ใช่แค่คุ้มกะลาหัวอย่างที่เขาว่ากันมันคือประสาทและมันตัดไม้ทำลายป่ามันเอา ทรัพยากรมาใช้แค่คนคนเดียวเนี่ยในปราสาทเนี่ยเท่าไหร่เท่าไร่มันก็ไม่พอแต่ในโลกภาษีอาเนี่ยคนมีตัณหาน้อยกิเลสน้อยมีศีลมีธรรมไม่ตัดไม้ทำลายป่าข้าวปลาอาหารเพียงพอที่จะสนองความ ต้องการดับความหิวโหยเศรษฐกิจพอเพียงอยู่กันยังมีความสุขรักใคร่กลมเกลียวกันนี่แต่พอมันไม่ควบคุมกิเลสตัณหามันโลกไม่รู้จบมันก็นำไปสู่การแก่งแย่งการเบียดเบียน ฉะนั้นในบุญกิาวัตถุสามเนี่ยท่านจึงให้เริ่มด้วยภาวนาใหม่ชำระจิตใจด้วยทานศีลภาวนาแล้วในภาวนาใหม่เนี่ยท่านเน้นอะไรรู้ไหมเอาเป็นภาวนาที่สำคัญเพื่อให้เกิดทานให้เกิดศีล ให้เกิดสวรรค์บทดิ น, น, นท่านบอกให้แผ่เมตตาจเจริญเมตตาคนเราเนี่ยถ้าจเจริญเมตตาแผ่เมตตามีความรักต่อกันนะเราจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนกันสีลข้อที่หนึ่งก็รักษาได้ง่าย มีเมตตามีความรักมีความปรารถนาดีกันเราก็ไม่รักขโมยกันมีเมตตาหวังดีปรารถนาดีเราจะไม่แย่งคนรักของรักกันสิ่ข้อที่สามมีเมตตาเป็นพื้นฐานเราจะไม่ทาให้คนอื่นเสียใจเพราะการโกหกของเราถ้าเรารักตัวเองเราก็ไม่ไปคล้องแวะยยาเสพติด เรารักเด็กรักเยาวชนก็ไม่เอายาเสตติไปขายให้เขาสี่ข้อที่ห้ามันก็อยู่เริ่มด้วยเมตตานี่แหละความรักนี่แหละเราก็มีสี่ห้าพอเรามีเมตตาหวังให้คนอื่นมีความสุขเราก็ทำทานไงเราอยากแบ่งปันให้กัน เมตตาภาวนาจึงเป็นจุดเริ่มต้นในบุญเกียรติวัตถุการที่ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านเมตตาธรรมแล้วเจริญจิตภาวนาในแนวแห่งเมตตาก็สัมพันธ์กับพระศรีอาริยะเมตไตร โลกภาษีอานให้ทุกคนที่มาอยู่ที่นี่มีเมตตาต่อกันมีโรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่ที่ลบบุรีเป็นโรงเรียนวิถีพุทธท่านอาจองค์ชุมสาย ทั้งโรงเรียนถามว่าวิถีพุทธคืออะไรเนี่ยเขาบอกเมตตาเท่านั้ น, เ, นเด็กเข้าไปไม่ว่าจะพื้นเพยเป็นยังไงครูต้องรักลูกศิษย์ไม่ไปส้ำเติมถ้ามันเกเรเอาความรักให้ลูกศิษย์เขาอบอุ่นไม่ดา่าไม่ตำหนิอะไรให้เขาปรับตัวของเขาเพื่อนก็รักกัน พอทั้งโรงเรียนมีเมตตาช่วยเหลือกันดูแลผู้อ่อนด้อยผู้มีปัญหาเนี่ยเด็กมันเข้มแข็งการศึกษาผลการเรียนก็ดีขึ้นเอาเมตตาทำเนี่ยเป็นหลักเด็กก็เลยมีความสุขเลยไม่ใช่เข้าไปโรงเรียนเนียกลัวครูกลัวน่นกลัว น, น, นี่กลัวเพื่อนรังแกเด็กเลยไม่มีความสุขในโรงเรียน แค่เมตตาตัวเดียวนี่กลายเป็นวิถีพุทธค้นไปดูงานกันแต่มาสมภา์ท่านผู้ริเริ่มเขาก็บอกเนี่ยถ้าเราเอาเมตตามาใช้ในวิถีชีวิตยิ้มแย้มข้อหาการปลุกปลอบให้กำลังใจกันประคับประคองกันให้เข้มแข็งเรื่องยากก็เป็นเรื่องง่าย เรื่องทุกมันก็จะลดหลบมันเกิดสังคมกัลยาณมิตรเขาบอกว่ากัลยาณมิตรเนี่ยนะมาจากอะไรรู้ไหมว่ามิตรมาจากรากศั์ว่ามิตรคือเพื่อนนะมาจากรากศั์ว่าเมตตาคนไหนเมตตาเรารักเราช่วยเหลือเรา เป็นมิตรของเราเมตไยยะก็คือผู้ที่เปียมด้วยเมตตาพระศรีอริยะอริยะแปลว่าผู้เจริญเมตไยยะคือเจริญเมตตาเพราะฉะนั้นเมื่อมากราบพระศรอริยะเ ม, มตไ ย, ยเนี่ยต้องยิ้มต้องมีไมตรีจิตต่อกั น, กนทัะมาโมปโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก รักก็คือเป็นมิตรเข้ามาในที่นี้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและไม่เบียดเบียนกันคือมีสีจิตเปลี่ยมด้วยเมตตาแต่มนุษย์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีเมตตาได้ตลอดถ้ายังเป็นปู่ทุชนเพราะอะไร ย้ำปิดฉังนรพติตมปิทุกขันปลาถนาสิ่งใดและไม่ได้สิ่งนั้นมันทุกคนนี่มันคิดไม่เหมือนกันต่างคนก็ต่างใจต่างคนก็อยากได้กันคนละอย่างสองอย่างคนที่เป็นหัวหน้าก็ปวดหัวคนนี้จะเอาอย่างนี้คนนี้จะเอาอย่างนั้น พอความเห็นมันขัดแย้งกันไ อ, อท้ทิฏฐินั่นแหละมันขัดแย้งกันมันทะเลาะกันทำอย่างไรจะทำให้คนนี่เห็นตรงกันนี่มันก็ยากสังคมที่คนเห็นตรงกันแล้วประพฤติแบบเดียวกันเนี่ยก็คือสังคมพระษีอ่านโลกภาษีอ่านถามว่าเคยมีไหมตอบว่ามีไม่ทะเลาะกันเลย เห็นตรงกันหมดคือสังคมพระอริยเจ้าพระอรหันต์หนึ like 1, ่งพันสองร้ยห้าสิบรูปประชุมกันที่เวลุวันเนี่ยโยมเมื่อไม่มีกิเลสทะเลาะกันไหมมีแย่งกันเป็นเจ้าวาดไหมไม่มีพระอรหันต์เท่านั้นเลยนั่นแหละคือโลกภาษีอานถ้ากิเลสน้อยหน่อย และควบคุมความโกรธความเกลียดความพยาบาทได้ยิ้มแย้มเข้าหากันมันก็จะแผ่เมตตาต่อกันมันก็เป็นโลกพระศรีอานฉะนั้นท่านเจนสอนนะว่าถ้าอยากจะให้เกิดสังคมพระศรีอ่นเนี่ยท่านให้ขัดเปลาจิตใจ เวลาเกิดความโกรธที่มันจะมาล้มล้างเมตตาเนี่ยความโกรธความพยาบาทเป็นอุปสรรคเป็นตรงกันข้ามกับเมตตาเราเมตตาลูกเราเนี่ยรักลูกเราดีๆได้ไหมแต่พอลูกมันดื้อ ม, มันขัดใจผัวเข้าให้แล้วตีตีเสร็จแม่รักลูกนะลูกตีเข้าไปแล้วใช่ไหม แล้วทาไมไปตีละรักอ่ะก็มันโมโหด่าเขาให้แล้วอ่ะเป็นเจ้านายบางคนด่าลูกน้องด่าเสร็จนึกได้องคสงสารนะมันทํางานแล้วเข้าใจผิดต้องเอาของไปปลอบใจแล้วบอกจะถือผมนะครับปากร้ายแต่ใจดีด่าประจําเลยนะปากร้ายใจดีใครจะไปเห็นแล้วทําไมปากร้ายอ่ะทั้งทั้งที่ใจดีเพราะ โกรธเพราะโกรธแล้วเป็นยังไงเมตตาบ้านเมตตาก็เมตตาเนี่ลุกเป็นไฟได้เหมือนกันนะถ้าไม่คุมความโกรธลุกเป็นไฟยังไงลองส่องกระจกตัวเองเลตอนมาบ้านเมตตานี่ยิ้มมาเนี่นะพอมะโมโหขึ้นมาเป็นไงไปส่องกระจกดู ถึงยามโกโรธโปรดส่องมองกระจกดูวิตกอกเต้นเมื่อเห็นหน้าช่างปั้นยากปากจมูกและลูกตาดังยักษ์สาลาสีไม่มีเลยโูแล้วมันจะเป็นบ้านเมตตายัางไงยังกระยักกระมาดฉะนั้นท่านจึงสอนไงให้ข่มความโกรธ เพื่อไม่ให้เมตตามันหนีไปไอตอนอารมณ์ดีก็เมตตากันเนาะเพราะโกรธขึ้นมาด่าไฟเล็บทำยังไงถึงจะควบคุมความโกรธให้สมกับเป็นลูกศิษย์พระศรีอารยะเมตไตรท่านก็สอนว่าหลายวิธีนะธรรมาจะพูดถึงสี่อย่างหนึ่งให้ คิดเมตตามิตเวลาเราโกรธขึ้นมาให้ใช้เมตตามิตเมตตามิตเป็นยังไงแปลว่าเครื่องหมายที่จะทำให้เกิดเมตตามันตรงข้ามกับปฏิฆนิมิตแปลว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความขับขัดข้องใจปฏิฆนิมิตเนี่ยเราเจอทุกทุกวัน ที่มันทำให้เราบุญหงิดเช่นเสียงเสียงเนี่ยเรากำลังนั่งกรรมฐานใช่ไหมเสียงมันเป็นข่าสิกต่ออารมณ์กรรมฐานกำลังนั่งกรรมฐานอยู่นี่คนมาพูดว่าว้าว้าเนี่มันเกิดเราเกิดขัดขับข้องใจเปิดเปิดเสียงดังนะวัดบางวัดเปิดลำโพงแต่ตีสี่ใช่ไหม ส่วนบนอะไรก็ตีสี่คนจะหลัดจะดอดแทนที่จะเป็นอะไรไอ้แทนที่จะเป็นท ร, รมารมบที่ดีใช่เป็นปฏิคานิมิตเดินทําหนังสือประท้วงนะเออเน่นะเพราะมันคับข้องใจตื่นเช้านี่บางคนเนี่ยเครียดเลยอ่านหนังสือพิมพ์ใช่ไหม ถ้าหัวข่าวแต่ละวันมันมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้นะดูหนังสือพิมพ์บ่อยๆแล้วเสียสุขภาพจิตครัว่ามันไม่ดูสักพักหนึ่งสุขภาพจิตดีขึ้นเพราะมันมีแต่เบียนเบียนมีแต่ทะเลาะกันขับรถไปบนถนนก็ทะเลาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องกราบรถกูอย่างนี้โอ้แค่รถก็ต้องกราบ อะไรกันนักกันหนาใช่ไหมเนี่ยเมื่อเกิดปฏิกะอย่างนี้เนี่ยเราต้องฉลาดไปหาเรื่องดีๆรับรู้เรียกว่าเมตตามิตรับรู้ในเรื่องที่จะทำให้เกิดเมตตาถ้าเราไปรับรู้เรื่องที่ทำให้หงุดหงิดมันก็จะหงุดหงิดหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆที่ทำให้เรา ไม่สบายใจก็เว้นไปบ้างขาวอะไรต่างไปมองในเรื่องที่มันดีทีนี้ถ้ามันเกิดมันไม่มีล่ะท่านก็สอนอย่างนี้เสมอ ว, ว่ามีคนมาบ่นใส่เราอยู่เรื่อยไอ้เสียงบ่นเสียงว่าเนี่ยมันเป็นปฏิฆนิมิตเสียงไม่ดีเลย ว่าเรานินทาเราเราก็เปลี่ยนอารมณ์เสยอย่าไปนึกเรื่องที่เขาด่าเราไปนึกว่าคนคนนี้นะหน้าตาดีเนอะเสียงไม่ดีที่ว่าเราอย่าไปนึกออหน้าตาดีนะคนนี้หน้าไม่ตาไน้าเอ็นูก็ไปหาจุดดีของเขาบางคนหน้าตาไม่ดี ไม่รู้จะไม่ตายยังไงเออแต่เสียงเพราะนะก็ไปเน้นในจุดที่มันเสียงเพราะบางคนหน้าตาก็ไปดีเสียงก็ไปดีมันคงใจดีเนาะออช่วยเหลือช่วยแบกช่วยหามแต่มันดาเก่งหน่อยก็ไม่เป็นไร อ, อหาจุดดีจนได้และจะสุขภาพจิตดี ใครที่ไปจังหวัดอุดรธานีนะไปวัดมัชิมาวาทุดงผ่านไมหมล่ะลิมโบนวัดมัชิมาวาจะมีมณฑบในมณฑปเนี่ยเขามีรูปปั้นหลวงพ่ออดีตจเจ้าอาวาสแต่มาไปเห็นเขาเขียนหนังสือว่าหลวงปู่ดีเนาะเออ หลวงปู่ดีเนาะนี่ต้นตํำรับเมตตามิตใ จ, จดีใครดา่าใครว่าอะไรท่านท่านไม่นึกถึงท่านแปลงสารเป็นดีเนาะหมดเลยเออใครดา่าท่านนะท่านเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าหน้าจังหวัดอุดรธานีคนมาฟ้องหลวงพ่อเขาดา่าหลวงพอ่อยังไงนี่ด่าก็ดีนะเนาะเราจะได้ปรับปรุงตัวเอง หลวงพ่อตกรถไฟไปกรุงเทพตกรถไฟก็ดีเนาะไม่งุนกิดผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้มาหาหลวงพ่ อ, อทำไมร้องไห้มาละ่ะสามีอีชั้นเจา้าข่าเขาตายเสียแล้วหลวงพ่อหลุดปากตายก็ดีเนาะคนกำลังเศร้านะสามีตายนี่นะ หลวงพ่อนี่บ้าจริงๆผู้หญิงว่าทำมาแช่งสามีหนูว่าตายดีเนาะเออลองตายเองนี่จะดีเนาะไหมบ้าแท้ๆหลวงพ่อก็บอกบ้าก็ดีเนาะไม่โกรธวันหนึ่งในหลวงรัชการที่ก้าจะไปทอดกระถินที่วัดหลวงพ่อทายกโก่วง ก็ไปถามหลวงพ่อท่านในหลวงเขาพูดนั่นพูดนี่ถามโน้นถามนี่พ่อจะตอบว่าไงดีนอกสิโอ้หลวงพ่ออย่าไปพูดดีนอกใส่พระเจ้าแผ่นดินเนอะและให้พูดอะไรให้พูดว่าขอถวายพระพรมหาบอพิษภาษากลางจํายากกว่าท่องหลวงพ่อท่องไปท่านก็ท่องพรอในหลวงมาจริงๆลืม ในหลวงกระดัถามอะไรท่านดีเนาะหลวงดีเนาะหลวงชาวในหลวงแปลกพระไทยทาไมพระชอบพูดดีเนาะออกมาจากบวชก็ถามชาวบ้านชาวบ้านก็กราบทูลว่าเนี่ยท่านใจดีมีเมตตาดีเนาะทุกอย่างในหลวงก็มีพระราชศรัทธาปีต่อมาก็เลยเลื่อนยศเลื่อนสมณศักดิ์ให้หลวงพ่อ จากชั้นราษขึ้นเป็นชั้นเทพตั้งราชทินานามให้ใหม่ว่าพระเทพวิสุทธาจารย์สาธุอุทานธรรมหวาทีออปแปลว่าชอบพูดว่าสาธุปแปลว่าดีเนาะ เ, ออเพราะฉะนั้นมาที่นี่อะไรอะไรดีเนาะสาธุหมดนะ น้ำขุนรอคกณกินไม่เรื่องสาธุสาธุหมดดีเนาะนี่เขาเรียกเมตตาิมิตรหาจุดดีจนได้ในทุกเรื่องเคยได้ยินอันนี้ไหมสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนต่มคนมันไปติดคุกอะ่ะเขาขังกันไว้สองคน ไอ้คนหนึ่งแต่ดูแต่โคลนบนอยู่นั่นแหละอีกคนมีความสุขมันดูดาวอ่ะมันไม่หาดูโคลนหรอกมันดูเมตตานิมิต ด, ดาวไอ้คนหนึ่งดูโคลนสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมอีกคนตาแหลมคมเห็นดวงดาวอยู่เป ล, าลา่าเปล่ามีความสุข นี่คือเมตตามิตรข้อที่สองแบ่งปันคนไหนที่ไม่ชอบเราเราลองให้ของให้อะไรบ่อยๆนะเดี๋ยวมันจิตมันอ่อนเมตตากันเพราะฉะนั้นถ้าเปิดโอกาสให้แบ่งปันเนี่ยสมัยคนสมัยโบราณเขาบ้านอยู่ใกล้กันใช่ไหมหมูไปไก่มาน่ะ วันนี้ฉันแกงอะไรได้ฉันก็ไปให้เขาวันไหนเขาก็เอามาแบ่งให้เราวันต่อไปเขาเรียกเพราะฉะนั้นมันจึงเขาเรีย ก, ย ก, ย ก, ย ก, ยกล้อมรั้วบ้านด้วยไมตรีในในชนบทอนะ่ะบ้านนอกแล้วนะหมู่บ้านเนตตาทำก็เช่นเดียวมีอะไรก็ต้องแบ่งกันไอตอนที่มันจะหมางกันอะไรกันให้เอาของฝันไปให้อะไรไปให้เดี๋ยวมันจะดีกันไปแต่ในกรุงเทพไม่ใช่นะในเมืองก็เหมือนกัน อยู่ติดกันยังไม่รู้จักกันเลยนะรั้วสูงนิ่วเลยและใช่ว่าจะปลอดภัยนะพอขโมยมาใช่ไหมมัดขนผลรทัศ์ของอะไรไอ้เพื่อนบ้านช่วยยกให้อีกนะหรือว่าเจ้าของไม่รู้จักกันหรอกเนี่ยสมัยโบราณจะบอกว่าล้อมรั้วบ้านด้วยไมยตรีด้วยเมยตมาตาคือการแบ่งปันทั้าทางมิตตานะคะนเมตตานิคันสติ ผูกผู้ให้ย่อมผูกใจมิตรไว้ได้มิตรคือเมตตาก็เป็นมิตรกันมนาะอยู่ที่นี่นะอันนี้คือข้อที่สองกัลยาณมิตรแบ่งปันกันข้อที่สามเรื่องกรรมใครกรรมกรรมของมันบางทีเนี่ยคามาว่าเราอะไรเราเนี่ยนะอย่าไปตอบโต้เลยเดี๋ยวก็เขารับกรรมของเขาเองเพราะว่า ถ้าเราไปตอบโต้มึงแล้วก็ไปสร้างกรรมตอบแผนมันก็เขาเรียกว่าทําให้เรื่องมันยืดยาวเหมือนกับจองเวรจองกรรมอะไรเขามาทำอะไรเราโกงเราเราไปตอบโต้มันก็ไม่รู้จบเหมือนกับนิทานชาดกเขาบอกว่าไอไอไอหมองูน่ยนะมันตกงานมันเพราะงูไม่เคยกัดคนเลยไม่ได้ไปรักษาไข่วันหนึ่งมันก็เลย ไปในหมู่บ้านมันไปเห็นโพรงบนต้นไม้หางงูเปนโพรงอยู่ในโพรงงูพิษหมอ ง, งูมันหรือแป๊บเดิมก็รู้เลยมันก็เลยไปหลอกเด็กที่กําลังเล่นอยู่ไอ้หนูมีลูกนกสาลิกาอยู่ในโพรงใครกล้าปีนไปเอาลูกนกมาละ ในใจเนี่ยคิดว่าให้งู ก, กัดเด็กจะได้รักษาและไปคิดสตางค์จากพ่อแม่ของเด็กเนีหวังร้ายเขาเด็กคนหนึ่งมันก็อยากได้ลูกนกสา ร, ริการมันก็ปีนขึ้นไปล้วงเข้าไปเพื่อจะไปควานหาลูกนกสา ร, ริการงูโผล่หัวมาสิหูพิษเล น, นะคู่ฟอเลย เด็กมันตกใจมันก็จับคองูวิ่งลงมาตรงเป๊ะเลยก็ไอ้หมอกูเอพันคอกัดหมอเข้าไปพิษเข้าไปในตัวใครจะรักษาหมอหมูนอกจากหมอหมอก็โดนกูกัดหมอเลยตายอย่ะนะเนี่ยให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเราจะไปยุ่งกับเขามากเลยให้กรรมมันสนองบางกระดั นี่ข้อที่สามคือบางทีไม่รู้จะแก้ยังไงก็กรวดน้ําไปลอยเคราะห์ลอยบาปไปอโพสีกันเดี๋ยวเขารับกรรมเขาเองสุดท้ายข้อที่สี่เขาเรียกว่าคิดหัดคิดเขาเรียกว่าทวนกระแสคิดทวนกระแสคิดย้อนที่เขาเรียกว่าอารมณ์ขันเนี่ย เราถ้าคิดไปตามที่เขาพูดเขา ว, ว่าเนี่ยเราจะโกรธแต่ถ้าเราคิดย้อนเนี่ยนะไม่โกรธยังมีคนมาด่าพระพุทธเจ้าด่าเป็นวัดเป็นเวนหเหตุเพราะว่าภรรยานับถือาศาสนาพุทธสามีนับถือาศาสนาพราหมณ์แล้วก็เอาพราหมณ์ร้อยแปดมาเลี้ยงเลี้ยงเหมือนเลี้ยงพราหมณ์เลี้ยงพระเนี่ยภรรยาเนี่ยเอาอาหารไปเสิร์ฟไปไประเคนพราหมณ์ แล้วไปทําจานตกก็เปล่งอุทานว่านโมตัสสะเลยนโมตโัสสะพระค w o r t โตยเงี้ยเหมือนคนไทยก็คึอพระช่วยพรามก็บอกโอ้นี่มันพวกคุทเนี่ยเลยลุกกลางกลางงานเลยวงแต่งสามีเยอะเลยหาว่าพระพุทธเจ้าทําให้ครอบครัวแตกแยกก็เลยปรีไปที่วัดไปด่าพระพุทธเจ้าด่าเป็นวัดเป็นเวก พุทธเจ้าก็ฟังเชิให้ ด, าดนะ่าไปพอด่าเสร็จหายกโกรธคนด่าเนี่ยได้ระบายแล้วเห็นพุทธเจ้านั่งฟังเชิก็ชักแปลกใจก็เลยถามว่านี่ไอ้ที่ด่ามาเป็นวักเป็นเวนเนี่ไม่โกรธบ้างเหรอือถามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกโกรธทาไมล่ะเอาก็อุตส่าห์ด่านะ่ะเ อ, อไม่มันเลยนะด่าดแล้วไม่โกรธเล่นะ ไม่มีฟิลลิ่งเลยเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าวันนี้โมโหเป็นฟืนเป็นไฟเพราะว่าเลี้ยงแขกแล้วแขกไม่รับประทานอาหารลุกลกับกลางงานเนี่ยอาหารเหลือเหลือบานเบิกที่บ้านเนี่ยถามหน่อยแล้วใครรับประทาน อ, อาหารที่เหลือเนี่ยพระเจ้าถามแขก้ถามพรามพรามบอกโอ้ แขกไม่รับประทานก็ไม่เป็นไรแล้วอาหารอยู่ที่บ้านลรวแขกไม่รับประทานเจ้าภาพทานเองกินเองพระเจ้าบอกเหมือนกันเลยคำด่าที่ท่านสรร น, นำมาดาเนี่ยนะเหมือนอาหารที่นำมาเลี้ยงแขกบังเอิญแขกยังอาตมาไม่รับประทานคืนเจ้าภาพก็แล้วกันเออคิดย้อน บะอีกคนหนึ่งโกรธมากไปไปหาพระเจ้าอยากจะฆ่าคนนู้นบนยอยากจะฆ่าคนนี้ให้ตายพระเจ้าตอบว่าโกทันคตวาสุขังเสติฆ่าความโกรธในใจของคุณเสียได้อยู่เป็นสุขแทนที่จะไปฆ่าคนติดคุกเนี่ยฆ่าความโกรธเนี่ยคุณจะเป็นสุขมากกว่า ออกมาเจอคนคนหนึ่งนะเป็นนาวาเอกพิเศษชื่อออนบุญยภันธ์อาจา ร, รย์ออดเป็นนักพูดเป็นอึกสาสนาจาร์วันหนึ่งอาจา ร, รย์ออนบอกว่าเดินทางไปด้วยกันบอกท่านจะคุณเชื่อไหมตั้งแต่ผมเกิดจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยนะไม่เคยถูกใครด่าเลยแตมาบอกไม่เชื่อหรอกพระพุทธเจ้ายังถูกด่าถูกนินทาร์ แล้วทําไมคุณจะดีวิเศษขนาดไหนไม่มีใครดา่ามันไม่มีใครด่าผมจริงๆนะครับทําไมอ่ะตั้งแต่ผมเกิดจากท้องพ่อท้องแม่เนยไม่เคยมีใครด่าผมเลยจนอายุเจ็สิบแหละตอนนี้ท่านสิ้นไปละจนผมอายุเจ็ดสิบก็มีใครดา่าเอ้าทําไมละ่ะคือตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆล่ะครับเวลาเพื่อนมันโกรธผมเลยนะมันไม่เคยด่าผมเลยมันไปด่าพ่อผม ดาแม่ผมออพ่อแม่ผมก็ตายไปตั้งแต่ผมห้าขวบเลย น, นะแล้วผมจะไปโกรธแทนท่านทำไมเพราะมันดาพ่อดาแม่แล้วเห็นผมไม่โกรธมันก็เลยดาเปรตดาสัตดานุกผมมาส่องกระจุกอยู่แล้วก็ไม่ใช่ผม เออถ้ามันด่าไอออนเพ่โมโหหน่อยมันก็ไม่เคยด่าเลยเห็นถ้าเรารู้จักคิดอย่างนี้คิดแยกคิดอะไรต่างมันก็ไม่โกรธสรุปบ้านเมตตาต้องไม่มีความโกรธกันอาฆาตกันต้องอภัยกันบ้านเมตตาต้องมีเมตตาความรัก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 เท่ากับสร้างโลกพระศรีอารสวรรค์บดิดบูชาพระศรีอารบูชาพระเจดีศรีอารยะเมตไส์สมกับที่เราอยู่ที่บ้านเมตตาธรรมก็ข อ, อนุโมทนาทุกท่านในในโอกาสนี้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัย และบารมีของพระเจ้าห้าพระองค์พร้อมทั้นกุศลความดีที่บำเพ็ญร่วมกันในการสุพโธนี้จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอันวนยอวยพรให้ทุกท่านทุกรูปคนจงประสบแต่ความเจริญความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมแห่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปสรรตรายทั้งปวง เจอด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิพานธรรมสารสมบัติธนสาร์สมบัติตปราถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบเดชธรรมก็ขอให้ความปราถนานั้นๆจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จสมโมโนรรถมุ่งมาตรปราถนาทุกประการตลอดกาละนานเทิน